ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอถูกต้องกายกับมาตัคามจริงหรือท่านพระอุทายีกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษการกระทําอย่างนี้ไม่สมควรไม่คล้อยตาม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 กลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากคุณแห่งการปรารบความเพียรแล้วทรงแสดงธรรมมีกะถาแก่ภิกษุทั้งหลายให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้